ได้ยมทั้งหลายวันนี้อาตมามีเรื่องที่เกี่ยว ก, กับการปฏิบัติตัวของลูกจ้างชีวิตของลูกจ้างคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังชื่อเรื่องก็คือว่าเป็นลูกจ้างมีจัญยาบันก็เป็นพระโสดาบันกับเขาได้เรื่องนี้อยู่ว่าที่เมืองราชพื้นมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในบ้านนั้นก็มีนางทาสีอยู่คนหนึ่งชื่อนางกุล น, นา วันนั้นน่ะตอนเย็นๆพ่าที่จะตกใกล้จะเลิกงานแล้วอ่ะเศรษฐีก็เอาข้าวในคังมากระสอบหนึ่งให้นางมาตำให้นางมาซ้อมนะนางก็ไม่ได้พูดอะไรก็ข้าวมาก็งานมาก็นางก็นั่งทำนางก็ตำตาไปเรื่อยๆตัวก็มอมแมมเลอะเทอะหน้าเมือกเลย แล้วก็ทําจนเสร็จก็สามสี่ทุ่มนางก็เหนื่อยเหนื่อยจนนอนไม่หลับนางก็มานั่งพักระหว่างที่นั่งพักอยู่นั่งก็มองไปทางตีนเขาเอแสงไฟอะไรอ้าวพระพระเยอะแยะเลยมาทําอะไรกันแล้วนางก็คิดของนางเออเราที่ก็เหนื่อยจนนอนไม่หลับน เป็นพระนี่ก็ทุกเหมือนกันนะบางทีพระก็จะมีปัญหาอะไรนอนไม่หลับเหมือนกันเอ๊ะส่องหรือว่าเจองูนะหน้าที่ของนางนี้แต่ที่จริงแล้วพระกลุ่มนั้นน่ะเขามีที่พักอยู่บริเวณนั้นแล้วเขาก็กำลังจะขึ้นไปฟังทํากันในนั้นก็มีพระอารหันต์อยู่องค์หนึ่งก็คือพระทัพพระมาลบาทก็เราประวัติให้ฟังเขาฆ่าคือท่านนะ่ะเป็นพระอารหันต์ทั้งเจ็ดขวบแล้วก็ที่อยากจะมาอ่านมาคือว่าตอนนั้นน่ะ ยังไม่มีหรือว่าท่านเป็นคนพิเศษที่ว่าท่านไม่ต้องบวชเป็นสา ม, มนเณรท่านบวชเป็นพระเลยตอนอายุเจ็ดขวบแล้วท่านก็คิดว่าเอ๊ะกิจของเราที่ต้องทําก็ไม่มีอีกแล้วถ้ายังไงเนี่ยเราสร้างฉันทะด้วยการที่เรามาเป็นผู้จัดอกนินิมนต์จัดพัดแล้วก็จัดที่อยู่ทอำนวยความสะดวกให้พระดีกว่านะวันนั้นท่านก็ใช้สมาธิเข้าเตโชกสิน ท่านก็ทํานิ้วของท่าน่ะเป็นนิ้วครบเพิงนะก็เพื่อส่องไปพระขึ้นไปฟังธรรมกันที่ศาลา ห, หรือกุฏิวิหารของพระที่เทศมนตรีลูกหนึ่งนะนี่ก็คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในคืนนั้นนะแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปนางก็นอนตื่นแต่เช้าก็เดาว่านางก็อาจจะอายุมากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ตลางคืนขึ้นเย็นนั้นก็ ทำงานก็ไม่ได้กินข้าวด้วยก็เลยแต่เช้าเนี่ยรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็หน้าที่นางก็ต้องไปตักน้ําแล้วก็เอารําที่ได้จากการตำข้าวแหละมาปั้นเป็นขนมแบนๆเท่าฝ่ามือมัไม่ได้ใสเกลือไม่ได้ใสน้ำตาลอะไรแล้วก็ปปิ้งไฟให้มันสุกแล้วกล่าวว่าจะพกไปกินแล้วก็ถือหม้อไปจะไปตักน้ําที่ท่าน้ำํำระหว่างทางที่เดินไปอะ่ะก็ไปเจอพระ เ, เจ้า พุทเจ้าท่านก็เสด็จลงมาจากเขาคิชกูดมากับพระอานุ์เสด็จมากับพระอนุนสององค์ก็นางก็คิดเอ๊ะทุกวันเลยนะเราลองคิดตามบางทีท่านนางได้เจอพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่ไม่มีอะไรอยู่ในมือบางวันมีอะไรมาอยู่ในมือก็ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเอ วันนี้ของก็มีแล้วก็เจอพระเจ้าพอดีแล้วขนมธรรมดาของเราอ่ะพระพุทธเจ้าจะรับหรือเปล่านาะนั่งคิดไปก็เอ๊แต่ได้ยินเหมือนกับว่าพรนะอ่ะของดีหรือของธรรมดาท่านก็รับยังไงก็ลองนิมนต์ท่านดีกว่านิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่าพระพุทธเจ้าท่านก็หยุดแล้วก็ยมมีขนมวันนี้ อยากจะทำบุญค่ะพระพุทธองค์ก็ให้สัญญาณกับพระอนุลพระอ น, นุก็ถือบาทมาสองใบวันนี้ก็พระเจ้าท่านทราบด้ว ย, ยา่างนะท่านไม่ได้ไปรับผิดในมงคลที่อื่พนพระนก็ส่องบาทแก้วผลึกที่ได้จากเท้าจาตุมหาราชนี่แหละที่เป็นสีเขียวนี่นี่แหละนางก็ใส่ขนมลงไปในบาทแล้วนางก็ไปกราบที่พระบาทแล้วนางก็อธิษฐาน ขอให้ดิฉันได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วด้วยเถิดเออเราลองดูคําอธิษฐานนะเฮ้ยถ้ตัวเราเองเราอธิษฐานต่อพระพักตรจพระเจ้าตัวเราเองเวลาเราทําบุญเอธิษฐานนะปากกับใจเราตรงกันไหมแต่ของเราแต่ของนางอะ่ะต่อหน้าพระพักพพุทธเจ้าเนี่ยยังไงปากกับใจต้องตรงกันแน่นางทุกข์นางก็อยากจะบคนทุกข์ เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อนโมธนาว่าสาธุดีแล้วจงเป็นอย่างนั้นจงสำเร็จเถิดสาธุนี่แหละคือความหมายของคำที่พูดไปแล้วนี้เอ๊ะถ้าพระพุทธเจ้าท่านสาธุด้วยตัวเองมันจะต้องเป็นจริงอย่างนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเสร็จแล้วท่านก็กับพ้านทนก็เสด็จต่อไปนางก็คิดอยู่ในใจปลื้มใจก็ปลื้มใจนะแต่ว่า ใจนึงก็กังวลคิดว่าเนี่ยทางที่ท่านเสด็จไปท่านกําลังเสด็จไปที่วังจะไปเสวยในวังหรือจะไปเสวยที่บ้านของมาหาอํามาตย์แน่นอนนาะงคิดอย่างนั้นเดี๋ยวขนมของเราอ่ะท่านก็คงจะไปโยนให้นกให้หมามันกินเอ๊ะพระพุทธเจ้าจริงๆท่านมีสิทธิ์ทําแบบนี้ไหมจริงๆท่านก็มีสิทธิทำนะเออเพราะว่ากฎของพระสงฆ์ไม่ได้ใช้กับพระพระุทธเจ้าแต่ท่านจะทําอย่างนั้นหรือเปล่า ท่านทราบบาลจิจของนางด้วยการที่จะต้องการที่จะปกป้องผลทานของนางพรนะเจ้กาก็ให้สัญญาณกับพระอ น, นุนว่าท่านจะทําพัฒกิจบริเวณนั้นแหละที่ยังไม่รับไปจากสายตาของนางพระอ น, นุนก็ปูผ้านะแล้วพระองค์ก็ประทับทําพัฒกิจพระองค์ก็พิจารณาเออขนมของนางเนี่ยก็ได้มาด้วย ความบริสุทธิ์ทางอาชีพของนาง น, นะเ๋ยวเราลองคิดดูว่าแบบของที่เรามาใส่บาตรมันมีบ้างไหมที่น้อยชิ้นเหลือเกินที่มันจะไม่เปื้อนบาตรอะไรเลยพระองค์ก็ระหว่างที่จ ะ, สะเสวยนั่นแหละเทวดาก็ใส่โอชาลงมาลดอันเะลิศละเอียดปรนนี่ขนมธรรมดานั่นนะ่ะเออพูดง่ายๆมันก็เหมือนกลายเป็น ขนม after you ไปเลยนะท่านก็ทำภารกิจเสร็จนาก็ยังยืนดูอย่างนั้นแหละพระอานนท์ก็ถวายน้ำให้สเสวยแล้วก็เป็นน้ำล้างพระหัตถ์แล้วก็น้ำบ้วนพระโอษเออเราลองคิดดูสิว่าคิดว่าในมือนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านใช้พระหัตถ์ในการบิหรือเปล่าหรือว่าใช้ช้อนซ่อม ท่านก็คงจะเสวยมันที่ชาวบ้านนะให้นางได้เกิดความปลื้มใจการบีของท่านก็งามการหยิบขึ้นก็งามนะการเ ส, เสวยค่อยๆส่งเขียวก็งามนางเห็นอย่างนนแล้วนางก็ปลื้มใจชื่นใจมีปีติอยู่นะน้ำตาจะไหลพระพุทธองค์ท่านเสวยเสร็จท่านก็เรียกนางกุลา เออปุนาเธอดูถูกสาวพวกของเราเหรอนางปุนาก็ตอบว่าเปล่าพระเจ้าข้าอา้าวแล้วเมื่อคืนน่ะตอนเธอเห็นพระอ่ะเธอคิดอะไรอยู่ดิฉันก็คิดว่าตัวฉันเองน่ะก็ทุกเอ๊เป็นพระก็ยังคงจะทุกข์เหมือนกันเนาะเมื่อคืนนอนไม่หลับส่องไฟเจองูหรือเปล่านางก็คิดของนางเองอย่างนี้คุณองค์ท่านก็ตัดประกาถาว่า คุณาอาสวะของผู้ที่ยังตื่นอยู่นะแล้วก็ศึกษาตลอดทั้งกลางวันกลางคืนย่อมกิเลสของผู้นั้นย่อมดับไปพระองค์ตัดพระคาถาแบบนี้ปุ๊บนางก็พิจารณาได้เห็นสภาวะเกิดดับที่เกิดขึ้นกับตัวนางเองแล้วก็ภายนอกทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนางก็ได้บรรลุสดาปฏิผล พระองค์ก็เสด็จจากไปภิกษุที่ได้ทราบเรื่องรลวก็ไปประชุมที่วิหารพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปที่วิหารพิสุก็ประชุมกันว่าโอ้น่าอาัศาจรรย์หนอขนมรำธรรมดานะพุทธเจ้าท่านเสวยแล้วก็ได้มอบโสดาบัพิพลให้กับนางปุณณธาสีพระองค์ก็ตรัสว่าพวกเธอ ประชุมกันด้วยเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนี้พระเจ้าค่ะเรื่องนี้ไม่น่าอาศัศจรรย์หรอกเมื่อก่อนน่ะเราก็เคยอุปการะกินขนมลำของนางเนี่ยมาแล้วเหมือนกันพิสุก็กราบทูลขอให้นําเรื่องในอดีตมาสาธกให้เกิดความกระจา่างในเมืองพารณาณสีนั่นแหละมีพ่อค้าจากทางเหนือก็คืออุตลาปถาชนบทที่นั่นเป็นที่ที่มีม้าดีจากทางเหนือก็พ่อค้ากลุ่มหนึ่ง ก็นําม้าฝูงหนึ่งกําลังจะมาขายที่เมืองพนาราณสีในกลุ่มพ่อค้านั่นเองนะ่ะก็มีพ่อค้าคนหนึ่งมันใกล้ค่าแล้วก็หาที่พักที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในทางมาเมืองพนาราณสีนี่นั่นแหละไม่ไกลาจนากมพาราณสีก็มาหาบ้านเช่าแล้วก็ต้องมีที่ให้ม้าอยู่ด้วยก็มาเจอโรงเตี้ยมของหญิงชราผู้ดีตกยากคนหนึ่งนะก็มาถามเออยายมีที่ให้พักไหมแล้วก็ ม้าด้วยนะมีมีเออเข้ามาเลยพ่อค้าก็คืนนั้นในฝูงม้านะั้นอ่ะมันมีม้าอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะแม่ม้ามันตกลูกพอดีนะจากที่จะออกเดินทางตอนเช้าก็เลยต้องพักต่ออีกสองสามวันก็เลยบอกหญิงชราว่าเดี๋ยว ย, ยังไม่กลับนะเดี๋ยวยังไม่ไปเดี๋ยวจะขอพักอีกสองสมวันให้ลูกม้ามันแข็งแรงก่อน หญิงชาลาก็บอกก็ได้ตามสบายแล้วพอวันที่สามกำลังจะออกเดินทางปุ๊บ ก, กาลังจะไปจ่ายเงินนะค่าเช่าทั้งหมดหญิงชาลาก็บอกว่าเออเงิ น, น่ะไม่เอาดีกว่านะแต่ว่าอยากได้ลูกม้ามันเป็นมงคลที่ม้ามาเกิดในบ้านของฉันฉันอยากได้ม้ามากกว่านะพอค้าก็โอเคไม่เป็นไร ก็เอาลูกม้าไปพอยิงชลาเห็นลูกม้านั้นน่ะแล้วก็เกิดความรักมากเลยเหมือนกับลูกแต่ว่าที่บ้านนั้นน่ะมันจนไงมันมีแต่รากับหญ้าให้ม้ากินก็เลี้ยงลูกม้าตัวนั้นแหละเหมือนกับลูกแต่ก็ให้ของกินแค่นี้มาโดยทํานองนี้นะเวลาก็ผ่านไปให้หลังเป็นฤดูเป็นปีสองปีก็มีพ่อค้าอีกกลุ่มหนึ่งมาจากที่เดียวกันนั่นแหละ ก็มาขอพักโดยทํานองเดิมนั่นแหละแล้วก็พาฝูงม้ามาเสร็จแล้วอา้าวพอจะเข้าไปในบ้านม้าฝูงนั้นมันร้องมันไม่กล้าเข้าไปเอ๊ะพอค้าผู้ฉลาดก็เดินเข้าไปสํำรวจ ย, ยายยายเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างก่อนเนี่ยอ๋อไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าเคยมีคนเหมือนคุณเนี่ยมาแล้วก็ขอม้าเข้ามาไว้ตัวหนึ่งแต่ไม่ได้จะขายนะเลี้ยงอ่ะคือรักเหมือนลูกเลยอ้าแล้ว ไปไหนอไม่เห็นอ๋อข้ อ, อไปหากินของเขาเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวหัวค่ำเนะี่ยเขาก็กลับพ่อค้าก็รอดูแล้วก็พักที่นั่นสองสาวันก็ทําความสนิทกับยายแล้วก็กลับม้าด้วยแล้วก็มาสังเกตเอ้ตัวนี้มันเป็นม้าสินทบเนี่ยมันไม่ใช่ม้าธรรมดาม้าสินทบคืออะไรม้าสินทบก็คือม้าอาชาไนาเพราะแม่ม้าตัวนั้น่ะที่ตกลูกมาตัวนั้นเป็นม้าอาชาไนา ม้าสิงโตเพิ่ในสามกบก็ม้าเซ็กเทาอะไนะอารมณ์ประมาณนี้ก็คือเป็นม้าศึกเป็นม้าชั้นดีสัตว์อาชานัยมีออาชานัยก็คือมีบุรุษอาชานัยนะมีสิงแล้วก็มีช้างแล้วก็มีม้าอาชานัยก็อย่างช้างกับม้าอาชานัยเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่แบบมีศักดิ์ศรีในตัวเองถ้าไม่พอใจก็ไม่ทำนะสามารถที่จะวิ่งชนกาแพงตายเลยก็ได้นะก็เป็นอย่างนี้ อ้าวแล้วทําไมปกติม้าสินทบมันไม่ได้กินของแบบนี้นี่เอออท้องมันเปื้อนเพราะว่าคืนนั้นเข้ามาก็กินเ อ, อ๊มันเปื่อนลําแล้วก็มากินอาหารของยายปฮ้ยแตกเว้ยยายเขาเลี้ยงม้าแบบนี้ม้าของสายส ย, ายายเขาไม่รู้พอทําความสนุนสนมคุ้นเคยไปสองสามวันพ่อค้าพี่ว่าเอ๊ยม้าอย่างนี้เอามาเลี้ยงเนี่ยมันเสียของแล้วก็อธิบายให้ยายฟังว่าเนี่ยยายเนี่ย ผมมาเป็นคนดูลักษณะม้าเป็นนะเนี่ยม้าตัวเนี้มันไม่ใช่ม้าธรรมดานะยายดูสิก็อธิบายลักษณะให้ฟังแล้วก็เนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นม้าสินธุบ่ะสองปีมันคงต้องโตกันเยอะแล้วแหละแต่เนี่ยมันกินแบบเนี้จริงจริงมันอาจจะเป็นโรคหรือมันอาจจะตายได้ก็ได้นะอืมก็ว่าแล้วก็ไม่พูดพ้ำทําเพลงนะแล้วก็บอกว่าตัวเองกําลังจะไปเข้าเฝ้าพระราชานะ ก็เอาจะจ่ายค่าเช่านั่นแหละแล้วก็เอาตำลึงทองอ่ะมาใส่ถุงถุงละพันตำลึงทองนะไปวางไว้ที่สี่สี่ทิศก็คือสี่ทั้งทั้งสี่เท้าของมา้าแล้วก็ที่หัวของมา้าแล้วก็ที่หางของม้าแล้วก็ถามว่าเอ้ยยายยายอ่ะรักลูกไหมรักรักม้าไหมรัก ยายไปแต่งตัวดีๆนะเอาให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ฉันจะขอม้าไปนะยายก็ทําตามคือรักก็รักไม่อยากจะจากม้าตัวนี้เห็นแล้วรักเหมือนลูกเลยเลี้ยงมาตั้งสองปีแต่ว่าก็ใจของแม่ก็อยากให้ลูกเปมีอนาคต ท, ที่ดีกว่าเพราตเองก็ตกยากต้องมีอะไรจะเลี้ยงก็เข้าไปกอดม้าะม้าก็ น้ำตาไหลแล้วก็คิดว่ามโนรถของเราอ่ะที่ต้องการจะอนุเคราะห์หญิงตกยากคนเนี้ยต้องทนกินลำที่ตัวเองกินไม่ได้ถึงสองปีอะก็สำเร็จแล้วแล้วพ่อค้าก็สัญญาว่า จะเอาม้าตัวนี้ไปเลี้ยงอย่างดีเพราะปกติม้าสินทบ ต, ต้องเลี้ยงด้วยคือต้องขึงเพดานไม่ให้มันมีมาแรงมาแล้วก็ต้องให้ยืนบนตั้งนิ่่นด้วยนะเวลาจะกินแล้วก็ไม่ได้กินหญ้าธรรมดาด้วยต้องกินอาหารคล้ายๆจัตุมาทุกก็คือเป็นของหวานที่ดีเลิศสี่อย่างนะเวลาเลี้ยงม้าสินทบเี้อย่างนี้ม้าสินทบมีความสามารถอะไรไงม้าสินทบมีความสามารถก็คือว่าถ้าเอาไปที่ลานตะลองเนี่ยสามารถจะวิ่ง รอบหนึ่งเนี่ยคนมองไม่ทันเห็นเป็นเงาม้าเฉยๆมันก็ไปเรามองพัดลมอะ่ะอย่างนี้เลยแล้วด้วยความในวันเนี้ยวิ่งไปบนสระน้ํากรีบกรีบเท้าม้าก็ไม่เตียกน้ําเลยหรือว่าเวลาจะเรียกกลับมาปุ๊บแค่ยกขวามือขึ้นมาเงนี้ยม้าจะกระโดดขึ้นมาเอาเท้าทั้งสี่ขึ้นมาอยู่บนขวามือเลยนะก็พ่อค้าก็เอาม้าจากไปแล้วก็ไปครอบพระราชาแล้วก็ พอสอบความสามารถให้ดูแล้วพระราชาก็เอาม้าตัวนี้ไปปราบทั่วชมพูทวีปแล้วก็ได้คองแผ่นดินโดยธรรมส่วนพ่อค้าก็ได้เป็นตำแหน่งมาหาอุปราชพอพระพุทธเจ้าท่านตัดธรรมเทศนาเรื่องนี้ก็เพื่ออะไรภิกษุก็เกิดความซาบซึ้งในกุฏคุณมีคำว่า อาละหังเป็นต้นนะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นผู้เป็นเทคินยะบุคคลเป็นต้นทำของน้อยให้มากก็ได้นะแล้วก็ตัวเองก็เห็นไผ่นะว่าตัดสงสารว่าโอ้นี่อรพุทธเจ้าต้องทําความเพียรขนาดนี้ต้องแม้เป็นพระเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมา้าแล้วก็ต้องมาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ทําความเพียรที่สุดแล้วนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลสกท า, าคามิผลอนณาคามิผลไปตามลาดับ นี่คือบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าสามารถจะทำแค่รัมก้อนเดียวนะเปลี่ยนเป็นโสดาปฏิผลสะกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรลัทผลให้บุคคลก็ได้นะเทศนาก็มีประโยชน์แก่มหาชนได้จบตรงด้วยประการชนี้จริงๆจุดที่สำคัญมากๆของเรื่องนี้ก็คืออะไรเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไปโปรด น, นางปุณธ า, าสี ก็ศีลของนางนั่นแหละรียกร้องให้พระเจ้ า, จาไปโปรดนางเราลองดูคุณธรรมของหรือศีลของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง5้าประการนะก็คือตื่นก่อนนอนทีหลังรับผิดชอบการงานดนะีเอาแต่ของที่นายให้แล้วก็เอาชื่อเสียงในฝ่ายดีของนายไปเผยแพร่นางตื่นก่อนไหมตื่นก่อนนะในเรื่องนอนทีหลังไหมนอนทีหลัง รับผิดชอบการงานดีไหมตอนนั้นเย็นมากแล้วก็ไม่บน่นทำงานจนเสร็จมีคุณธรรมอีกข้อนึงคือนางการงานไม่ค้างคางด้วยแล้วก็เอาแต่ของที่นายให้ใช่ไหมใช่เพราะวันนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำขนมจากข้าวทำจากลำที่นายไม่ได้ไม่ได้ห่วงแล้วก็นึงจากเป็นคนไม่บน่นปกติถ้าคนบ่นก็ไม่ได้เอาชื่อเสียงที่ดีของนายไปเผยแพร่นี่แหละคุณธรรมเหล่านี้แหละ ทำให้พระพุทธเจ้าโปรดไปเสด็จนางเออเสด็จไปโปรดนางก็ด้วยศีลของนางนั่นเองก็เลยจะต้องการแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเออถึงแม้เราจะเป็นลูกจ้างธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้าทําเราทําศีลให้ดีก็คือมีจรญญาบันของลูกจ้างอเราก็สามารถจะบรรลุคุณธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าสามารถจะมาเสด็จมาโปรดมาช่วยเราได้เพราะว่าการที่จะรักษาศีลไว้ได้เนี่ยคือพราะเราเป็นคนที่ มีศรัทธานั่นเอง